50 l ส n g ห a g e s ความรู้สึกตุตุมีความรู้สึกต้องการอยาก เรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยากไม่ล่นตุยูไม่ล่นตุยูเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากไม่ลี้ยโยเลตุยูไม่ลี้ยโยเลตุยูกลัวหิรุตุนต์มาหิรูตุนต์ม ดิฉันกลัวมูลนิธิมูลนิธิดิฉันไม่กลัวไม่ตุ่นเนหิรูไม่ตุ่นเนหิรูมีเวลาเ i ลาไหนก็ได้嘛เวลา a ก็ได้嘛เขามีเวลาตลอ l นู่เอ็งก็ตนู เขาไม่มีเวลาตอนยโล้เอกเบื่อกอลยมกอบเมเธอเบื่อกกเธอไม่เบื่อก หิวไหนเหลี่ยนไห a s ะไรม s te o l e t ี่ยน j a s e ะ k รม t e ุณหิวไหมคุณไม่หิวหรือ s ุณไม่ห e วหรื e กร l หา s น้ำไ e นเระหายน n u น e o l e ม a j ยน u n e o l e m ะพวกเขากระหายน้ำเตยลอนตยลอพวกเขาไม่กระหายน้ําตยตย